เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องของจีนหรือญี่ปุ่นไม่รู้แต่ว่าเล่ากันมานานแล้วมีความว่าที่ตำบลแห่งหนึ่งในเขตโหนังมีศาลเจ้าอยู่ศาลหนึ่งซึ่งเขาลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินของสำคัญในศาลนี้ก็คือกระดูกผู้วิเศษผู้หนึ่งซึ่งฝังอยู่ในกุฏิมีลูกโรงเด็กปิดทองเป็นลวดลายอย่างวิจิตรใครป่วยไข้หรือว่าทุกร้อนก็ ไปกันที่สารเจ้านี้แล้วก็ทําการเส้นด้วยอาหารแล้วก็สุรายาบาลอย่างดีแล้วเชียกอง์หรือว่าคนเฝ้าสารก็จะพาตัวไปยังกุฏิที่ฝังกระดูกผู้วิเศษอนุญาตให้ผู้ที่มาบนนั้นเอื้อมือไปแตะฐานศิลาแล้วเขาก็อธิบายว่าคนง่อยก็อาจจะกลับเดินได้คนตาหมืดก็กลับแลเห็นคนหูหนวกก็กลับได้ยิน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็หายทุกอันตรายเคราะรารต่างๆก็บรรเทาเพราะฉะนั้นศาลนี้ก็เลยมีผู้นับถือกันมากมีผู้นำเครื่องเส้นหลักของมีราคาชนิดต่างๆมาแก้บนกันมากมายจนเฮียกงสามารถสร้างบริเวณศาลนั้นขึ้นอย่างใหญ่โตมีกำแพงล้อมอย่างมั่นคงแล้วก็มีที่อยู่ของเฮียกงเองแล้วก็มีสวนดอกไม้งดงามเป็นที่น่าจเจริญใจ ในสถานที่อันกว้างใหญ่นี้นอกจากตัวเฮียกงแก่แล้วก็มีชายหนุ่มเป็นลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งกับลูกลาเผือกอีกตัวหนึ่งที่เฮียกงเลี้ยงไว้ใช้เป็นพาหนะตึกหลังใหญ่ก็มีห้องหลายห้องสร้างไว้สําหรับเป็นเรือนรับแขกซึ่งมาจากทางไกลเพื่อจะมาไหว้เจ้าแต่โดยมากตึกนี้จะว่างก็เลยใช้เป็นที่เก็บสมบัติของสารเจ้าแล้วก็ใต้ถุนตึกนั้นเป็นที่เฮียกงขังลาเอาไว้ แล้วสิทธ์ก็อาศัยอยู่กับลานั้นด้วยครั้งหนึ่งเกิดทุพภิกภัยในจังหวัดนั้นพวกราษฎรก็พากันเดือดร้อนก็ชวนกันมาไหว้เจ้ากันไม่เว้นแต่ละวันมาบนบานสารกล่าวความที่ข้าวแพงจนชาวบ้านโดยมากพากันสู้ผอมแล้วก็สิทธ์ของเฮียกองก็รู้สึกลำบากไม่น้อยเพราะว่าอดๆ อ, อยากๆไม่บริบูรณ์เช่นก่อนเพราะว่าชาวบ้านไม่ค่อยจะนาของมาแก้บนก็เลยขาดแคลนทรัพย์สินที่จะใช้ซื้ออาหาร แต่ว่าเหียกองแก่ผู้เป็นอาจารย์นั้นร่างกายยังบริบูรณ์ไม่ได้ซูบซีดลงเลยชายหนุ่มผู้เป็นสิทธกับสิทธคนอื่นๆก็เห็นเป็นของอาจารย์มากแล้วก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะเหียกองเนี่ยได้มีโอกาสแต่ต้องที่ฝังศพผู้วิเศษอยู่เป็นนิตก็เลยมีกำลังผิดกว่าคนธรรมดาคืนนั้นสิทธคนนั้นก็หิวจัดจนนอนไม่หลับก็เลยออกไปเดินอยู่ในลานศาล เดินอยู่ไม่ช้าก็เห็นเฮียกองผู้เป็นอาจารย์เดินเข้าไปในกุฏิที่ฝังกระดูกผู้มีบุญหายเข้าไปอยู่ในนั้นนานแล้วก็กลับออกมาหน้าตาชื่นบานเดินย้ายพุงไปเช่นคนที่กินอิ่มมากทีเดียวพอเฮียกองไปแล้วเสร็์ก็เลยเข้าไปในตัวกุฏิบ้างตั้งใจว่าจะเอื้อมมือไปแตะฐานที่ฝังกระดูกผู้วิเศษจะได้มีกําลังทนทุกขเวทนาต่อไปแต่พอเอื้อมมือเข้าไปก็ไปโดนเอาขวดเหล้า เครื่องพลีเจ้าในเวลานั้นความหิวและความอยากดื่มเหล้ามันแรงกว่าความกลัวเสร็์คนนั้นก็เลยหยิบเอาขวดเหล้ามาแล้วก็ยกขึ้นดื่มจนหมดขวดพอเหล้าล้วงลำคอสมองของชายหนุ่มก็สว่างก็เข้าใจได้ดีว่าเหตุใดอาจารย์ของตัวจึงไม่สู้ผอมพอเข้าใจแล้วก็ไม่ยั้งมือก็ล่วงเอาเครื่องเส้นออกมากินจนอิ่มหนำสำราญเสร็จแล้วก็กลับไปนอนหลับอย่างสบายรุ่งขึ้น เฮียกองผู้เป็นอาจารย์ก็ไปยังกุฏิที่ฝังกระดูกผู้วิเศษเห็นเครื่องเส้นพร่องไปมากกว่าในคืนก่อนก็รู้ว่าสิทธิ์ของตัวนี่เริ่มฉลาดขึ้นแล้วควรจะไล่ให้ไปเลี้ยงตัวเองก็เลยเรียกสิทธิ์ไปแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยเวลานี้เป็นเวลาอัตขัดขัดสนพ่อก็แก่ชราลงแล้วการหากินก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนก่อนตัวลูกในยังหนุม่มมีกําลังพอที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ จงไปเที่ยวหากินเองเถอะเดี๋ยวพ่อจะให้ลาเผือกตัวนี้ไปด้วยมันจะได้เป็นกําลังในการประกอบอาชีพของเจ้าลูกไม่ต้องหาอะไรให้มันกินหรอกมันคงจะหาญ้ากินเองได้แล้วพ่อก็จะบอกว่าไอ้ลาตัวนี้ถ้าใช้ให้ถูกทางมันอาจจะช่วยให้ตัวเจ้าหากินได้นะสิทธิ์นั้นก็รับเอาลาเผือกแล้วก็ลาอาจารย์ไปจากสัรเจ้าเดินทางไปหลายเวลาหาเช้ากินขําอย่างผืดเครืองเพราะว่า ไม่มีฝีมือและวิชาความรู้อะไรเพราะว่าเคยแต่อาศัยเฮียกงอยู่ตั้งแต่เล็กจนใหญ่เดินทางไปจวนจะถึงชาญเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองบริบูรณ์ลาเผือกก็เผิอไปกินอาหารผิดสำแเงก็เลยล้มลงนอนตายอยู่ที่ริมทางหลวงชายหนุ่มก็ลงนั่งกอดเข่าด้วยความเสียใจแล้วก็รำพึงถึงลาที่ตาย แล้วก็พนมมือร้องวิงวอนขอให้เง็กเสียนห้องเตและเสียนทั้งหลายในโลกช่วยประสาทความคิดชีหนทางให้รอดพ้นความอดตายวันนั้นเป็นวันโชคดีของชายหนุ่มคนนั้นเพราะผ p เอิญมีไอ้บ้าคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นกิรยิยาอาการและได้ยินถ้อยคําของชายหนุ่มคนนั้นในบ้าคนนี้ก็ยืนนิ่งดูอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็หัวเราะอ่าเออใครใครเก็ว่ากูเป็นบ้าทั้งนั้น แต่วันเนี้ยกูได้มาพบคนที่บ้าว่ากูขายแล้วทำไมอ่ะกูเป็นบ้าไงก็มึงมีของดีๆอยู่ตรงหน้าแล้วมึงจะบ่นไปทำไมบ้าเอ้ยมึงไม่รู้หรือว่าลาตัวนี้มันตายแล้วไม่รู้เหรอมึงไม่รู้หรือว่าลาตายนะเป็นประโยชน์ดีกว่าลาเป็นๆ น, นะเว้ยมันจะดีกว่าได้ยังไง ในเมื่อมันเป็นเป็นอยู่จะใช้ขี่ก็ได้บรรทุกของก็ได้แล้วนี่มันตายแล้วอย่างเนี้ยจนฉันจะกินเนื้อมันก็ไม่ได้แล้วแย่ yeah, ก็แบบนี้สิกูถึงว่ามึงเป็นบ้าเอาเอเดี๋ยวกูขอยืมศพปลาของมึงสักหน่อยได้หรือเปล่ า, าไม่ต้องขอยืมมากูให้มึงเปล่าๆ เ, เลยพูดแล้วก็ไปนั่งตายต้นไม้เพื่อคอยดูไอ้บ้าจะทำยังไงกับศพปลาตัวนั้นไอ้บ้าก็หาดินมากลบศพปลา แล้วก็เอาก้อนหินมากองขึ้นบนกองดินแล้วก็มันก็นั่งเฝ้าศพลานั้นอยู่พอมีคนเดินผ่านมามันก็ร้องขึ้นว่าเจ้าข้าเอ้ยท่านผู้ใดปรารถนาความสุขในภพนี้ภพหน้าโปรดจงช่วยเอาก้อนหินมาสร้างที่ฝังศพผู้หาบาปมิได้นี่สักก้อนหนึ่งเถอะชายหนุ่มก็นึกแปลกใจเออไอบ้ามันก็พูดถูกใช่ มันเป็นที่ฝังศพของผู้หาบาปมีได้ก็ลามันเป็นเดรฉานมันก็ต้องไม่มีบาปอะไรอยู่แล้วแต่คนเดินทางนั้นไม่ทราบว่าศพนั้นเป็นศพลาก็เข้าใจว่าเป็นศพนักบุญอะไรสักคนหนึ่งและเพราะเหตุที่มนุษย์ปุตุชนมักจะปรารถนาความสุขด้วยอาการอันลำบากน้อยที่สุดก็เลยต่างคนต่างก็ช่วยไอ้บ้าตามศรัทธาคือขนหินมาช่วยถมให้บ้างให้เงินทองบ้างของบ้าง ในไม่ช้าก็มีเงินทองข้าวของและอาหารอยู่ที่หน้าที่ฝังศพลานั้นเป็นอันมากในบ้าก็เลยพูดกับชายหนุ่มบอกว่าเออถ้ากูทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไปไม่ช้าก็คงจะได้เป็นเศรษฐีแต่กูขี้เกียจจะเป็นเศรษฐีเพาต้องเป็นห่วงทรัพย์สมบัติมีแต่คนคอยปอกลอกอยู่เสมอสู้เป็นไอ้บ้าอย่างเดิมไม่ได้มึงเอาลาเขามึงคืนไปพูดแล้วก็รวบรวมข้าวของเงินทองห่อใส่หนะ้าอกเสื้อของมัน แล้วก็เดินบน่นพึมพำไปตามระษาบ้าเมื่อไอบ้าไปแล้วชายหนุ่มคนนึกในใจว่าเออปัญญานี่ไม่ว่าจะแฝงอยู่แห่งไหนย่อมส่องแสงออกมาจนได้ใครเลยจะนึกว่าไอบ้าจะมีความคิดแบบนี้ได้คนเราเนี่จะบ้าหรือไม่ก็สังเกตได้จากเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักนาไปใช้เป็นประโยชน์หรือเปล่า ชายหนุ่มเจ้าของลานี่ไม่ใช่คนบ้าก็เลยเล็งเห็นประโยชน์แห่งความคิดของไอ้บ้านะว่า ด, ดีกว่าตัวผู้ต้นคิดซะอีกดังนั้นชายหนุ่มก็ตกแต่งกองหินให้เรียบร้อยแล้วนั่งเฝ้าอยู่จนเห็นคนเดินผ่านมาก็ร้องบอกบุญเช่นเดียวกับที่ไอ้บ้าเคยทําแล้วก็เป็นผลสําเร็จดีในคืนนั้นชายหนุ่มก็ได้กินอิ่มเป็นมือแรกตั้งแต่จากอาจารย์มาวันต่อมาก็บอกบุญไปเรื่อยๆ จนเมื่อกองศิลาใหญ่ขึ้นพอควรแล้วก็ได้บอกบุญขอแรงช่างไม้คนหนึ่งทำรั้วล้อมที่ฝังศพศพของผู้หาบาปนี้ได้ในไมช่ช้ารั้วไม้ก็กลายเป็นกำแพงหินอ่าปรมที่ปลูกคร่มกองศิลาก็กลายเป็นกุฏิและหน้ากุฏิก็มีสารและข้างๆศาลสารก็มีโรงเรือนมากขึ้นเป็นลำดับสันเจ้าที่มีเฮียกองฉลาดเจ้ามักจะศักดิ์สิทธิ์สาลใหม่นี้ก็เช่นเดียวกัน มีเฮกงฉลาดพอตัวอยู่ฉะนั้นไม่ช้าเจ้าที่ศาลนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจนพอที่จะบรรดาลคนเจ็บไข้ให้หายได้เช่นเดียวกันไม่แพ้เจ้าที่ศาลของอาจารย์ในเขตโนหนังมีน้าซ้ําความศักดิ์สิทธิ์นั้นได้แล่นไปถึงตัวเฮกงด้วยและเพราะเหตุที่ตัวเฮกงเนี่เป็นชายหนุม่มก็เลยสามารถบําบัดโรคต่างๆได้เป็นอันมากก็มีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วก็มั่งมีมากขึ้นเป็นลําดับ อยู่มาได้หลายปีเฮียกงผู้นี้ก็ระลึกถึงอาจารย์น้องตัวเองที่โหนังก็เลยตกลงใจว่าจะไปเยี่ยมพวกชาวเมืองทราบข่าวก็ติดตามไปด้วยเป็นอันมากแล้วก็มีผู้ออกค่าเดินทางค่าสเสบียงให้พร้อมเมื่อไปถึงโหนังก็ตรงไปยังศาลก็เห็นเฮียกงแก่ผู้เป็นอาจารย์พวกเข้าไปกระทําความเคารพและเอาของกํานันที่เตรียมเอาไปให้แก่อาจารย์ เสร็จแล้วสิทธิ์ก็เล่าประวัติให้ทราบ่าว่าตัวเองไปทําอะไรมาอาจารย์ก็ชมเชยความฉลาดเฉลียวของสิทธ์แล้วก็ชวนไปในกุฏิหลังศาลแล้วก็เปิดเผยว่าลูกรู้ไหมว่าใต้กองศิลานี้มีอะไรพ่อจะบอกให้ใต้ฐานนี้ก็คือกระดูกแม่ของไอลาเผือกที่ให้เจ้าไปอ่ะแหละตำนานนี้ก็สอนว่า อย่าหลงเชื่อข่าวที่เล่าลือกันมาปากต่อปากหรือว่ารับมรดกความเชื่อที่ตกทอดมาแต่โบราณการโดยง่ายาดก่อนจะเชื่อสิ่งใดควรพิจารณาให้รอบคอบหรือว่าพิสูจน์ให้ท่องแท้สก่อนแล้วรับส่วนที่มีสาระไว้แล้วก็หาทางแก้ไขให้ดีขึ้นส่วนที่ไร้สาระก็ทิ้งไป ในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นรุกขเทวดาสิงอยู่ที่ต้นสะเดาในป่าอันเป็นป่าช้าแห่งพระนครพาราสีในป่าช้านั้นมีต้นไม้ใหญ่อยู่สองต้นคือต้นสะเดากับต้นโพวันหนึ่งโจรได้ลักของในบ้านใกล้ประตูเมืองแล้วก็เข้าไปยังป่าช้านั้นวางของที่ลักมาไว้ที่โคนต้นสะเดาแล้วก็นอน ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เล็งเห็นภัยอันจะเกิดจากโจร น, นี้จึงได้เรียกโจรให้ลุกขึ้นแล้วก็ทําให้โจรตกใจกลัวจนหนีตเตลิดไปเมื่อโจรไปแล้วเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นโพก็ถามพระโพธิสัตว์ว่าเหตุใดท่านจึงต้องไล่โจรให้หนีไปพระโพธิสัตว์ตอบว่าท่านไม่รู้เหตุที่จะอยู่ร่วมกันไม่ได้ระหว่างเรากับโจรถ้าเจ้าทรัพย์ จับโจรได้ณนะที่นี้ก็จะตัดกิ่งสะดาวนี้แหละทําเป็นหลาวเสียบโจรนี้วิมานของเราก็จะพินาศถ้าไม่ทําอย่างนั้นจะแขวนโจรไว้ที่กิ่งสะดาวิวมานของเราก็จะมีกลิ่นซากศพด้วยเหตุนั้นเราจึงให้โจรนั้นหนีไปเสียขณะนั้นพวกเจ้าทรัพย์ถือคบเพลิงมาตามรอยเท้าเห็นที่ที่โจร น, นอนก็บอกว่าโจรมันลุกหนีไปแล้วถ้าพวกเราจับโจรได้ จะเสียปร้อยโจรนั้นไว้บนหลาไม้สดานี้หรือแขวนไว้ที่กิ่งเสดาแล้วจะไปจากนั้นก็พากันเที่ยวค้นหาโจรเมื่อไม่พบโจรก็พากันกลับนั่นเป็นอัถกถาปุจิมันทัชชาดกครับอีกเรื่องหนึ่งในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพ่อค้าเกวียนจเจริญวัยแล้วทำการค้าด้วยเกวียนห้าร้อยเล่ม คราวหนึ่งไปถึงดงลึกก็เลยตั้งพักอยู่ที่ปากดงเรียกคนทั้งหมดมาประชุมกันแล้วกล่าวว่าในดงเนี้มีต้นไม้ที่มีพิษมีอยู่ทั่วไปพวกท่านยังไม่ได้ถามเราก็อย่าได้บริโภคใบดอกหรือผลอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันขาดพวกนั้นรับคำแล้วก็พร้อมกันเข้าสู่ดงที่ปากดงนั้นมีต้นกิ่งผลพึก อยู่ที่ประตูบ้านแห่งหนึง่งลำต้นกิ่งใบอ่อนดอกผลทุกอย่างของต้นกิ่งพลพลึกนั้นเหมือนต้นมะม่วงไม่มีผิดเลยใช่แต่เท่านั้นผลดิบและผลสุกก็เหมือนมะม่วงทั้งสีและสันถานทั้งกลิ่นและรสก็ไม่ผิดแผกกันเลยแต่ว่าบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะทำให้สิ้นชีวิตได้เหมือนกับยาพิษชนิดร้ายแรงดังนั้นพวกที่ล่วงหน้าไปบางหมู่เป็นคนโลเล สำคัญว่านี่ต้นมะม่วงก็บริโภคเข้าไปบางหมู่ก็คิดว่าก่อนจะกินต้องถามหัวหน้าก่อนก็เลยยืนรอพอหัวหน้ามาถึงก็บอกหัวหน้าว่าจะกินมะม่วงเหล่านี้พระโพธิสัตว์รู้ว่านี่ไม่ใช่ต้นมะม่วงก็ห้ามห้ามว่าต้นไม้เนี่ยชื่อว่ากิ่งผลพฤกไม่ใช่ต้นมะม่วงพวกท่านอย่ากินพวกที่กินเข้าไปแล้วก็จัดการให้อาเจียนออกมาแล้วก็ให้ดื่มของหวาน ในครั้งก่อนพวกคนเดินทางหรือว่าพ่อค้าที่พักอยู่คนต้นไม้นี้ได้บริโภคผลอันเป็นพิษเข้าไปด้วยสำคัญว่าเป็นผลมะม่วงรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านแถบนั้นก็พากันออกมาเห็นคนตายก็ช่วยกันฉุดไปทิ้งในที่รกๆแล้วก็ยึดเอาข้าวของแล้วก็ขเวนไปหมดในครั้งนี้ก็เช่นกันพอรุ่งอรุณพวกชาวบ้านต่างก็พูดจับจองว่าโคเป็นของเรานาเวียนเป็นของเรานาะ สิ่งของไอ้นั่นไอ้นี่เป็นของเรานะแล้วก็พากันรีบวิ่งไปสู่โคนต้นไม้นั้นครั้นเห็นพวกพ่อค้าเคียนปลอดภัยพวกชาวบ้านก็ถามว่าพวกท่านรู้ได้ยังไงว่าต้นนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงพวกพ่อค้าก็ตอบว่าพวกเราไม่รู้หรอกแต่หัวหน้าของพวกเรารู้พวกชาวบ้านจึงถามพระโพธิสัตวาว่าเออพ่อบัณฑิตเลยท่านทำยังไงถึงได้รู้ว่าต้นไม้นี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงพระโพธิสัตว์ตอบว่า ถ้าต้นไม้มีผลอร่อยนี่เป็นต้นมะม่วงแล้วไซในเมื่อคนขึ้นได้ง่ายแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านผลของมันก็จักไม่เหลือเลยต้องถูกคนเก็บกินจนหมดเรากําหนดอย่างนี้ถึงได้รู้ว่าต้นไม้เนี้ยเป็นต้นไม้มีพิษอันนี้ก็มาจากอัถกถาพราชาดกอีกเรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงว่าอดีตการมีดาบที่โกงผู้หนึ่ง อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเศรษฐีผู้หนึ่งสร้างศาลาในป่าให้ดาบทนั้นอยู่ปรนนิบัติด้วยอาหารอันประนีตในเรือนของตนเขาเชื่อว่าดาบทโกงนั้นอ่ะเป็นผู้มีศีลก็เลยนำทองร้อยแท่งไปยังศาลาของดาบทแล้วฝังไว้ในแผ่นดินเพราะกลัวโจรแล้วก็ขอร้องให้ดาบทโกงเนี่ยช่วยดูแลทองด้วยดาบทก็กล่าวให้เศรษฐีวางใจว่า ขึ้นชื่อว่าบรรพชิตย่อมไม่มีความโลภในสิ่งของของผู้อื่นเมื่อเศรษฐีหลงเชื่อและกลับไปแล้วดาบทชั่วก็คิดว่าเราอาจจะเลี้ยงชีพได้ด้วยทรัพย์นี้ล่วงไปได้สักสองสําบนก็ยักเอาทองนั้นไปไว้ที่อื่นวันรุ่งขึ้นเมื่อทำพัฒกิจในเรือนของเศรษฐีแล้วก็กล่าวคำอำลาเศรษฐีไม่อาจจะอ้อนวอนให้อยู่ต่อก็เลยให้ดาบทไป ตามปรารถนาแล้วก็เดินตามไปส่งดาบดจนถึงประตูบ้านแล้วก็กลับดาบดเดินไปได้หน่อยนึงก็ทําอุบายลวงเศรษฐีเอาญ้าวางไว้ระหว่างชดาแล้วก็ย้อนกลับไปเศรษฐีก็ถามว่าพระคุณเจ้ากลับมาทําไมดาบดเจ้าเล่ก็ตอบว่ามีญ้าเส้นหนึ่งจากชายคาเรือนของท่านเกี่ยวติดชดาเขาเราไปการจะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ย่อมไม่สมควรแก่บรรพชิต หากจะมาจึงรีบนํามันมาคืนเศรษฐีก็เลื่อมใสที่ดาบทเคร่งจนไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นแม้แต่เพียงเส้นหญ้าก็กล่าวว่าจงทิ้งมันไปสเสเถอะแล้วก็นิ ม, มนต์ให้ดาบทไปในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์อาศัยพักแรมในบ้านเศรษฐีท่านฟังคําของดาบทแล้วคิดว่าดาบทร้ายผู้นี้จะต้องถือเอาอะไรอะไรของเศรษฐีนี้ไปแน่ ก็เลยถามข้า บ, บดีว่าท่านได้ฝากอะไรไว้ในสำนักของดาบทนั้นบ้างหรือเปล่าเสถี๋ยตอบว่าเราฝากฝังทองไว้ร้อยแท่งพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงรีบไปตรวจดูทองนั้นเถิดเสถี๋ยก็ไปที่สลาไม่เห็นทองก็รีบกลับมาบอกว่าทองหายไปแล้วพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าไม่มีใครอื่นเอาทองของท่านไปรอกดาบทร้ายนั่นแหละเอาไปแน่แล้วก็ชวนกันตามดาบทนั้นไป เมื่อจับดาบบทได้กดทบบ้างเตะบ้างให้เอาทองมาคืนเมื่อได้ทองคืนแล้วพระโพธิสัตว์ก็กล่าวติเตียนดาบทว่าถ้อยคำของเจ้าช่างสละสลวยหน้านับถือจริงเจ้าค่องใจในวัตถุเพียงเส้นยาแต่ขโมยทองร้อยแท่งไปหน้าตาเฉยจากนั้นก็สั่งสอนไม่ให้ดาบททำกรรมชั่วเช่นนั้นอีกแล้วพระโพธิสัตว์ก็จากไป มีเรื่องเก่าๆในสมัยพุทธกาลที่จะนำมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับครั้งนั้นสหายผู้หนึ่งนามว่ากาลกันณีเคยร่วมเล่นฝุ่นแล้วก็เรียนศิลปะในสำนักอาจารย์เดียวกับท่านอนาถบินธิกะได้กลายเป็นคนตกยากไม่อาจจะเลี้ยงชีวิตได้ก็เลยไปหาท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็ปลอบสหายแล้วก็มอบสเสบียงและทรัพย์สินให้ไป เขารู้สึกสำนึกในบุญคุณก็ช่วยทำกิจการทุกอย่างให้เศรษฐีเวลาที่เข้าไปสู่สำนักของท่านเศรษฐีผู้คนก็พากันกล่าวล้อเลียนชื่อกาลกันนีอยู่เสมอวันหนึ่งบรรดาญาติมิตรได้ไปหาแล้วก็พูดกับท่านเศรษฐีว่าอย่าเลี้ยงเขาไว้ใกล้ชิดอย่างนี้เลยเพราะแม้แต่ยักษ์เองก็ยังต้องหนีด้วยเสียงว่ากาลกันนี เขาเป็นคนตกยากเข็นใจไม่ได้เสมอกับท่านท่านจะเลี้ยงเขาไว้ทาไมท่านอนาถบินสิกาไม่เชื่อถือคําพูดของคนพวกนั้นแล้วก็บอกว่าชื่อของเขาเน่เป็นเพียงคําเรียกหมู่บัณฑิตเนี่ยไม่ถือชื่อเป็นสำคัญหรอกเราไม่อาจอาศัยเหตุเพียงแต่ชื่อแล้วก็ทอดทิ้งเพื่อนผู้เล่นฝุนมาด้วยกันวันหนึ่งเมื่อจะไปบ้านสวยท่านเศรษฐีก็ตั้งให้เขาเป็นผู้ดูแลสมบัติ เมื่อพวกโจรได้ข่าวว่าท่านเศรษฐีไปบ้านสวยก็คบคิดกันปล้นบ้านท่านเศรษฐีพากันถืออาวุธต่างๆมาในเวลากลางคืนแล้วล้อมเรือนไว้ฝ่ายการลกั น, นีระแวงการมาของพวกโจรอยู่ก็เลยนั่งเฝ้าไม่ยอมหลับนอนเลยครั้นรู้ว่าพวกโจรมาก็ตะโกนสั่งให้คนตีกลองบ้างเป่าสังบ้างเพื่อปลุกคนทั้งหลายให้ตื่น และทำให้บ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยเสียงดีสตีตีเป่าอันดังสนั่นคืนเครงยังก็มีมหรสศพโรงใหญ่พวกโจรก็พากันพูดว่าข่าวที่ว่าเรือนว่างเปล่านี่พวกเราฟังมาเหลยวเหลวท่านเศรษฐียังคงอยู่แล้วต่างก็รีบหนีไปทิ้งก้อนหินและไม้พลองเอาไว้ตรงนั้นเองวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกญาติมิตรของท่านเศรษฐีเห็นก้อนหินและไม้พลองที่พวกโจรทิ้งไว้ต่างก็สลดใจ พากันพูดสรรเสริญการลกันณีว่าถ้าไม่มีผู้รักษาเรือนที่มีไหวพริบดีอย่างนี้แล้วพวกโจรก็คงจะทำการปล้นเรือนได้ตามความพอใจเพราะอาศัยมิตรผู้นี้ความเจริญจึงเกิดแก่ท่านเศรษฐีเมื่อเศรษฐีกลับมาจากบ้านสวยได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็พูดกับคนเหล่านั้นว่าพวกท่านเคยบอกให้เราไล่เขาไปถ้าเราไล่เขาไปวันนี้ทรัพย์สินของเราจะไม่เหลือเลย ธรรมดาในะชื่อไม่สำคัญหรอกจิตที่คิดเกื้อกูลเท่านั้นที่เป็นสิ่งสำคัญเสร็จแล้วก็ให้ทรัพย์สินจำนวนมากแก่กาลกันนีเพื่อใช้เป็นทุนอันนี้ก็มาจากหนังสืออัตตกถากาลกานันนีชาดกอีกเรื่องหนึ่งพูดถึงว่าในอดีตการพระเจ้าพรหมทั์เสวยราชในกรุงพารณาณสีพระโพธิสัตว์ก็เสวยพระชาติเป็นเทวดา สถิตยอยู่ที่กอหญ้าในอุทยานของพระราชาในอุทยานนั้นมีต้นรุจมงคลมีลำต้นตั้งตรงสมบูรณ์ด้วยกิ่งกา้านได้รับการยกย่องจากราชฎรสำนักว่าเป็นไม้มงคลเทวราชผู้มีศักย์ใหญ่ตนหนึง่งบังเกิดที่ต้นไม้ต้นนั้นวันหนึ่งพระราชาตรัสสั่งพวกนายช่างให้หาเสาไม้แก่นมาต้นหนึ่งเพื่อใช้ซ่อมแซมปราสาทที่มีเสาชารุด พวกในช่างหาต้นไม้ที่เหมาะสมอย่างอื่นไม่ได้นอกจากต้นไม้มงคลในอุทยานก็ทูลพระราชาพระราชารับสั่งให้ตัดต้นไม้มงคลนั้นเพื่อใช้ซ่อมแซมปราศาสพวกช่างรับพระราชดำรัสแล้วก็พากันถือเครื่องพลีกรรมไปสู่อุทยานตกลงกันว่าเราจะตัดในวันรุ่งขึ้นแล้วก็กระทำพลีกรรมแก่ต้นไม้ลุกเทวดาเห็นดังนั้นก็คิดว่าพรุ่งนี้ วิมานของเราจักสิบหายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันเล่าเมื่อไม่เห็นที่ควรไปได้ก็ร้องไห้เมื่อมูรุคเทวดาที่เป็นสหายทราบเรื่องก็พลอยเศร้าโศกไปด้วยเพราะไม่รู้จะห้ามพวกช่างได้ยังไงฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ไปเยี่ยมพวกรุคเทวดาทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ปลอบว่าอืมเราจะไม่ให้เขาตัดต้นไม้นั้นรุ่งขึ้นเมื่อพวกช่างมาก็แปลงตัวเป็นกิ้งกา นำพวกช่างไปเข้าไปสู่โคนของต้นไม้ต้นนั้นทําประหนึ่งว่าต้นไม้นั้นเป็นโพรงตายขึ้นไปตามไส้ของต้นไม้แล้วโผล่ออกมาทางยอดนอนพะงกหัวอยู่ในช่างใหญ่เห็นกิ้งก่านั้นแล้วก็เอามือตบต้นไม้นั้นตําหนิต้นไม้ใหญ่ว่าต้นไม้นี้มีโพรงแต่ไร้แก่นเมื่อวานนี้ไม่ทันตรวจทั่วทีหลงทําพิธีกรรมกันซะแล้ว จากนั้นก็หลีกไปรุ ก, กเทวดาอาศัยพระโพธิสัตว์ก็คงเป็นเจ้าของวิมานอยู่ได้ต่อไปอันนี้มาจากอัฏกถากุศาลีชาดกครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังดีกรบขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ